จากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องความฝันของพระราช า, าศาสดาพยากรตอนที่สามโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่30กรกฎาคม2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ ณบัดนี้ถึงฝันเรื่องที่เก้าใช่ไหม เรื่องที่กล่าวสระบัวน้ำขุนน้ำใสนะคือสระบัวเนี่ยมีทั้งน้ำขุนน้ำใสหม่อมฉันเห็นโบกกรณีแห่งหนึ่งดาราดาษไปด้วยดอกบัวห้าสีฝูงสัตว์ทั้งสองเท้าและสี่เท้าพากันมาดื่มน้ำโดยรอบสระนั้น ชายน้ำที่สัตว์ทั้งหลายย่ำหยียบดื่มอยู่กลับใสสะอาดแต่น้ำที่อยู่ลึกกลางสะกลับขุนมัวความฝันในเรื่องนี้จะเป็นลางบอกเหตุอะไรพระเจ้าค่าที่น่าแปลกสะโบกกรณีก็คือสะบัวนั่นเองนั้นก็สะนี้ก็พูดง่ายว่ามีบัวเยอะแยะไปหมดนะสีอะไรบัา ง, งาบัวเนี่ย สีขาวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินสีอะไรก็แล้วแต่แหละนั่นแหละแต่ในที่นี้เขาบอกว่ามีทั้งห้าสีนะแต่นี้ที่น่าแปลกก็คือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมากินก็ ค, คือก็ต้องมามาที่ริมสระใช่ไหมแล้วก็มาลงมาดื่มน้ำอะ่ะไอตรงที่มาเหยียบย่ำแล้วก็ดื่มน้ำอยู่นั่นะ น้ำกับใสทั้งังที่ลงมาเหยียบแล้วก็ดื่มตรงหน้าน้ำกับใสสวยไอ้ตรงกลางสะซึ่งจริงๆอ่ะสัตว์ไม่ได้เหยียบไปถึงที่จริงแล้วตรงกลางสะควรจะใสแต่กับคุณอ่าดูนะพระพุทธเจ้าจะพยากรณ์ออยังไงมหาบาพิษแม้ผลของความฝันนี้ก็จะเกิดขึ้นในอนาคต การภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะไม่ตั้งอยู่ในธรรมเอาอีกแล้วผู้นํานี่ไม่ไม่อยู่ในอะไรอ่ะในศี่ในธรรมอีกละจะลู้อำนาจอคติสเสวย ร, ราชสมบัติจะไม่ประธานการวินิจฉัยอัดทคดีโดยธรรมมีพระหฤทัยมุ่งแต่ศินบนโลเลโลภในทรัพย์การตัดสินคดี พระราชาตัดสินแบบไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็มุ่งอยากจะได้ศินบนก็คือว่าอะไรอ่ะอยากได้ทรัพย์สินเข้ามาหาตัวเองเยอะๆขึ้นชื่อว่าคุณธรรมคือความอดทนความเมตตาและความเอ็นดูของพระราชาเหล่านั้นไม่มีให้แก่หมู่มหาชนเป็นพระราชาที่กักขระคอยแต่จะเบียดเบียน ร, ราษฎร กำหนดสวยให้เกิดขึ้นมุ่งแต่จะเก็บเอาทรัพย์ใส่ตนเป็นพระราชาที่กักขระกักขระหมายถึงเออหยาบช้าอะไรเงี้ยนะหยาบคาย mm hmm. เขาเรียกว่ากักขระ mm hmm. แล้วก็อะไรมีแต่จะสวยสวยก็คืออะไรสวยก็คือภาษีนั่นเองสมัยก่อนเ็าเรียกว่าสวยพูดง่ายว่ามุ่งแต่จะเก็บภาษี ไม่รู้บูลค่าเพิ่มมั้งเปล่ามุ่งแต่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ชาวบ้านก็แย่สิใช่มเมื่อพวกราษฎรถูกรีดภาษีหนักเข้าไม่สามารถจะให้อะไรอะไรได้จึงพากันทิ้งบ้านเมืองอบพยพไปตั้งหลักฐานอยู่ชายแดนทำให้ตัวเมืองที่เป็นศูนย์กลางร่อยหลอจากผู้คนแต่ชนบทชายแดนกลับเป็นปึกแผ่นแน่นหนาด้วยผู้คน เหมือนน้ำกลางสะบัวคุณแต่น้ำรอบสะบัวใสก็ฉันนั้นภายแม่ความฝันนี่เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่พระองค์คือไม่เกิดในยุคของพระเจ้าปเปเสนที่โกศลแต่จะเกิดในไม่รู้ละการอนาคตไม่ได้บอกพูะเจ้ยยาก็ไม่ได้บอกว่าเมื่ อ, อไหร่แต่รู้รู้อยู่แต่ว่าอนาคตนี่หมายถึงว่าพ้นสมัยของพระเจ้าปเปเสที่โกศลมาเรื่อยๆะ ก็เมื่ อ, อไรก็เมื่อนั้นน่ะเมื่อนั้นคือเมื่อไหนคือเมื่อพระราชาเป็นอย่างเงี้ยหรือเมื่อผู้นําหรือผู้บริหารประเทศเป็นอย่างเงี้ยถ้าเมื่ อ, อไรเป็นอย่างงี้ก็คือเนี่ยแหละประตรงอย่างที่พระเจ้าธัญยากรเนี่ยขึ้นชื่อว่าคุณธรรมคือความอดทนความเมตตาความเอ็นดูที่จะมีให้แก่ประชาชนเนี่ยไม่มีนั่นแหละยุคไหนก็ยุคนั้น ดังนั้นหัวข้อนี้ประเด็นสําคัญจะอยู่ตรงอะไรหัวหัวข้อเรื่องเรื่องฝันครั้งนี้เนี่ยผู้ผู้นำแน่นอนแล้วแต่เรื่องก็คือว่าคนเนี่ยคนที่อยู่เมืองหลวงหรืออยู่ศูนย์กลางจะหนีจะหนีหมดเพราะทนไม่ไหวหนีไปอยู่ชายแดนหมดนะส่วนอะไรอ่ะ ชายแดนก็เลยกลายเป็นลุ่งเดืองอันนี้มันจริงๆนะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีความยุติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่มีอํานาจจะแม้พวกพวกที่ไม่มีอํานาจเนี่ยมันจะอยู่ได้ไงอะ่ะถ้าทนก็ต้องทนโดนกดขี่ข่มเพงไปเท่านั้นเองทนไม่ไหวจริงๆจะไปสู้ลบปบมือก็ไม่มีอาวุธไม่มีอํานาจอะไรพอจะไปสู้ได้ วพราันในที่สุดก็มีแต่ต้องหนีมันก็หนีไปที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก็คือสุดขอบโลกนะหรือว่าชายแดนนั่นเองก็ต้องหนีไปชายแดนเพราะอยู่อยู่ภายในไม่ได้ละหรือไม่ก็นหนีไปต่างประเทศนะก็มีอยู่แต่อย่างนั้นอ่อันนั้นเป็นความฝันนะข้อที่เก้าส่วนข้อที่สิบ ฝันเรื่องที่สิบหุงข้าวสุกไม่เท่ากันดูนะแม่ครัวคงจะเข้าใจดีเมื่อเรื่องนี้มอมฉันเห็นข้าวสารที่คนนำไปหุงในหม้อใบเดียวกันแท้แต่สุกไม่เท่ากันตรวจดูแล้วแยกเป็นสามส่วนคือ1ข้าวแฉะ2ข้าวดิบสาม ข้าวสุกดีก็ต้องมีอยู่แค่นั้นใช่ไหมต้องแบ่งเป็นสามส่วนได้แค่นั้นแหละไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วนี้เป็นความฝันของหม่อมฉันอะไรจะเป็นผลของความฝันนี้พระเจ้าค่ามหาบพิษผลของเหตุการณ์นี้ก็จะไม่มีภัยใดๆแก่พระองค์เพราะจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการขั้นหน้านั้นพระราชาทั้งหลายจะไม่ดำรงอยู่ในธรรมเอาอีกแล้ว คือพูด ง, ง่ายๆนะเหตุยุ่งยากเหตุเดือดร้อนเหตุละสัมลสายอะไรทั้งหมดในโลกเนี้เกิดจากอะไรเกิดจากคนไม่มีคุณธรรมไม่ไม่ปฏิบัติธรรมนั่นเองคือไม่จําเป็นต้องเป็นพระราชาไม่จําเป็นต้องเป็นชนชั้นผู้นําต่อให้ผู้ไม่นําก็เหอะผู้ตามนี่แหละถ้าผู้ตามไม่มีคุณธรรมจะลากหญ้าลาก รากถูลูถูกังยังไงก็แล้วแต่ถ้ารองไม่มีคุณธรรมแล้วมีปัญหาทั้งสิน้นวันยุคที่จะเกิดเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายเหตุการณ์ที่มันเดือดร้อนไปทั่วเกิดจากคนไม่มีธรรมะทั้งนั้นเลยวันเขาถึงถึงบอกว่าธรรมะคุ้มของโลกเอาไว้ได้โดยเฉพาะธรรมะอะไรที่คุ้มของโลกไว้ได้ข้อไหนที่เป็นธรรมะคุ้มของโลก ทำอะไรที่เขาบอกว่าคำจุนโลกไว้อ่ะออเมตตาทำคำจุนโลกอ่ะอันนั้นมันเป็นสำนวนที่เขาพูดกันแต่มันจะมีหัวข้อธรรมะที่พระเจ้าท่านใช้เลยว่าว่าว่าจะต้องเป็นธรรมะข้อนี้ที่จะคุ้มครองโลกเอาไว้ได้ฮิลีและโอตาปะที่จะเป็นธรรมะที่จะคุ้มครองโลกไว้เพราะอะไร เพราะถ้าคนไม่มีความละอายต่อความผิดเนี่ยไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปก็หมายถึงว่าอะไรคนหน้าด้านไม่ละอายตรงข้ามก็คือหน้าด้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนก็จะหน้าด้านคนก็จะกล้าที่จะทำผิดกล้าที่จะทำชั่วเพราะถ้าคนลองหน้าด้านและกล้าทำชั่วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงใช้ว่า ฮิริและโอตปะเนี่ยจะเป็นธรรมที่ช่วยคุ้มครองโลกเอาไว้ก็เพราะว่าถ้าคนเรามีความละอายต่อบาปละอายต่อความผิดแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าไปทําผิดหรือทําผิดไปแล้วก็หน้าบางไงหน้าไม่หนาเพราะฉะนั้นทําผิดไปแล้วเนี่ยมันพลาดไปจริงๆอะบางทีมันก็พลาดไปแล้วอะ่ะบางทีชั่ววูบนะหรือว่าอะไรอะ่ะหน้ามืดไปหน่อยทําผิดไปแล้วอะ่ะแต่ผิดไปแล้วเนี่ย ยังไงก็ยังกล้าก้ายอมรับผิดเพราะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็กล้าสารภาพหรือว่ากล้าอะไรอะยอมรับโทษกล้าที่จะโดนตำหนิต่อว่าเพราะอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันก็จะขี้คลายไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าหน้าด้านหน้าทนแล้วก็ยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทั้งทั้งที่จริงจริงก็ทำผิดอย่างเงี้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม โอ้โหโลกมันจะวุ่นวายขนาดไหนคิดดูสิเพราะฉะนั้นธรรมะข้อนี้จึงเป็นข้อที่พระเจ้าบอกถ้าคนประชาชนเนี่ยคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องมีถ้าไม่มีโลกวุ่นวายอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอพระราชาไม่ดำรงอยู่ในธรรมตอนนี้แม้พวกข้าราชการนักบวชค้าหาบดีชาวบ้าน ก็จะพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยคือคือมันเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรไล่ลูกระนาดอะไั <c oughs> ้ไห ม, ม เ, เ, เวลาเขาเล่นระนาดใช่ไหมเขาคล้องไล่ไปเรื่อยไ ล, ไล่ไปเรื่อยคือถ้าหัวแถวอ่ะหัวแถวไม่เป็นธรรมแ้อย่างเงี้ยลองลงมาลองลองมาถ้าอยากอยู่รอดใช่ไหมอยากอยู่รอดเป็นไงอะ่ะก็ต้องทําตาม พอยันั้นก็เลยตามกันเป็นลูกละนาจเลยเพราะนั้นเนี่ยพวกข้าราชการนักบวชข้าหมบดีชาวบ้านก็เลยพอยไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นธรรมมาแล้วพระราชาไม่เป็นธรรมเงี่ยมันเป็นยังไงมันขัดแย้งกันนะมันไปกันไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องมีใครอยู่ใครไปใช่ไหมเกิดขึ้นงั้นถ้าจะอยู่กับพระราชาแบบนี้ได้ก็ง่ายก็ต้องยอมอะยังไงก็อะไรอะ ยอมมอดตอนอยู่ในทางที่ผิด ถ, ถ้าจะอยู่กับเขาไงเออเหมือนไปตามน้าอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้บ่อยเพราะว่าเหมือนอย่างเราเข้าไปในวงข้าราชการจะทหารตำรวจหรืออะไรอะอะไรข้าราชการเนี่ยทหารตำรวจะอะไรอีก พลเรือนขา้าราชการที่เป็นพลเรือนใช่ไหมเนี่ยคือสมว่าเขากินสินบนยิ่งไม่ใช่กินแบบแบบลูกกระจอกกินโอ้โหหัวหน้ากินอย่างเงี้ยแล้วคุณคุณต้องไปอยู่กับเขาาเงี้ยหัวหน้าสั่งรับสินบนเลยอย่างเงี้ยเอาแล้วคุณจะอยู่กับหัวหน้ า, างนี้ได้ไงถ้าคุณจะอยู่กับเขาต่อให้เราไม่รับสินบนเนี่ย นะเราบอกเราบอกว่าเอาเราเราแม่ไม่เอานะพวกกูจะเอาก็เอากันไปนะเราแต่เราเร า, เราไม่เอาเราไม่บอกใครหรอกเอาสต่อให้อย่างนี้ด้วยเออเราไม่บอกใครหรอกแต่ถึงจะพูดอย่างนี้ก็เหอะเขาไม่เชื่อคุณหรอกเพราะว่ามันมีวิธีเดียวที่จะปิดปากได้ก็คือคุณต้องรับด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะบังคับให้รับให้ได้ มันเขจะไม่ยอมเลยถ้าไม่รับสินบนด้วยเขาไม่ยอมเพราะเขถือว่าเป็นคนละพวกเพราะในที่สุดเนี่ยไปอยู่อย่างเนี้ยในที่สุดก็ต้องรับแ ม, แ ม, ม้แม้ไม่ชอบใจก็ปิดปากเงียบไอ้นั้นไม่ได้เพราะขืนแฉออกไปตัวเองก็อยู่ในกระบวนการรับสินบนไปด้วยก็ต้องซวยไปด้วยแล้วก็ถ้าแฉออกไปแล้วตัวเองไม่รับก็เสร็จแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องมาลงที่ ที่ตัวเองแน่แใช่ไหมหวังอ่ก็เองไม่รับใช่ไหมเนี่ยเแล้วก็คงจะไปแจ้งหรือไปอะไรอย่างนี้เพราะในในวงข้าราชการถ้าลองหัวหัวผู้ใหญ่ลงมาเนี่ยตัวหัวหน้าเนี่ยถ้ารับแล้วนะยากแล้วเป็นลูกน้องนี่อยู่ยากบริสุทธิ์ยากจะแบบว่าอะไรก็หัวหน้าจะกินก็กินไปเหอะผมผมไม่เอานะ <laughs> โอ้ไปไม่รอดเลยรับรองเขาเขี่ยทิ้งทันที นี่เขาเกียร์ที่งยังดีนะถ้าเขายิงทิ้งเนะี่ยแย่เลยนะแล้วก็ตัวอย่างก็มีมาไม่น้อยแล้วหละนะยิงยุคสมัยนี้นี่มันยิงกินกันโอ้โหคอร์รัปชันอะไรลุ่แแรงมากเลยมันไม่ใช่เล็กๆกน้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆส่วนใหญ่นะไม่ไหวจริงๆอย่าอยู่เลยลาออกมาเปลี่ยนอาชีพหรือ ไอะไรไปอยู่ชายแดน <c oughs> นะหาทางเอาตัวรอดอยู่แบบไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมอะไรดีกว่าแต่นี้ปรากฏว่าพวกอะไรอะลูกน้องอะไรต่ออะไรชาวบ้านก็เลยต้องพลอยไม่เป็นธรรมไปด้วยจนที่สุดดูนะแม้แต่ใครที่ไม่เป็นธรรมด้วยจนที่สุดแม้เทวดาทั้งหลายก็พลอยไม่ทรงธรรม โอ้โหคราวนี้แม้เทวดาทั้งหลายก็พลอยไม่ทรงธรรมคือละกี้เนี่ยนะพวกข้าราชการนักบวชก็หาพอดีชาวบ้านอะไรหมดแล้วนะเพราะว่าหัวแถวเนี่ยพูดง่ายว่าทำให้ลูกน้องต้องต้องไม่เป็นธรรมหมดแล้วแต่จริงๆคราวนี้เทวดาเนี่ยน่าจะเหนือกว่าพระราชาถูกต้องไหม ถ้าโดยทั่วไปนะถ้าคนทั่วไปลองคิดเออก็เทวดาน่าจะต้องเหนือกว่าจีเพราะเทวดาอยู่บนฟ้าใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องเหนือกว่าแต่จริงๆโดยความเป็นจริงเนี่ยเทวดาไม่ได้หมายถึงว่าอยู่บนฟ้าแต่เทวดานี่หมายถึงอะไรเออจริงๆก็ต้องหมายถึงคนที่มีฐานะสูงคนที่มีจิตใจที่สูงแล้วอะไรพวกเนี้ยเราถึงจะหมายความว่าเทวดาแต่ถ้า อย่างกษัตริย์อย่างเงี้ยที่จริงกษัตริย์เนี่ยเราก็เรียกสมมุติเทพเป็นเทวดาหลอกๆสมมุติไงเป็นเทวดาแบบสมมุติไอ้มะอันนั้นก็เรียกว่าเทวดาเหมือนกันอันนั้นโดยรูปประธรรมแต่ถ้าโดยนามธรรมจริงๆเนี่ยเทวดาต้องอุบัติเทพเนี่ยใครที่จะเป็นเทวดาได้ต้องคือผู้ที่เลิกเลิกทำไม่ดีเลิกทำชั่ว ถึงจะเรียกว่าเริ่มเป็นเทวดาและถ้าถ้าเป็นเทวดาที่เลิกเลิกทําชั่วได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยถึงจะมาเรียกว่าเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่เออบริสุทธิ์แล้ะคนนี้นะไม่ไม่มามีเรื่องอะไรเร็วๆไล่ ๆ, ๆมาทุจริตังคอร์รัปชันมาอะไรเนี้ยหาไม่มีในผู้นี้ นี่แหละเราเรียกว่าเนี่ยคนนี้เป็นวิสุท ธ, ธิเทพอ่าเป็นเทวดาที่บริสุทธิ์แหละแต่คราวนี้นะจนในที่สุดแม้เทวดาทั้งหลายก็พลอยไม่ทรงธรรมแสดงว่าอิทธิพลของของพระราชาเนี่ยมากมากจนกระทั่งเหล่าเทวดาทั้งหลายพูดง่ายว่าจะไม่ไม่คือไม่ร่วมทำทำผิดด้วยเนี่ยไม่ไหวเลยเลยพลอยเพี้ยนไปด้วยเลย ในยุคสมัยของอาธรรมิกราชนั้นลมจะพัดรุนแรงจัดทําให้วิมานของเทวดาสั่นสะเทือนคือหมายถึงว่าเนี่ยในยุคของพระราชาที่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมากๆ ม, ม, มีอิทธิพล ม, มากนั่นเองจนในที่สุดชาวบ้านชาวช่องอะไรนะต้องต้องยอมไปหมดใช่ไหมพอยอมไปหมดคนนี้เทวดาเนี่ยเอาว่าคนสู้ว่า เ, เป็นคนดีเนี่ยแหละอยู่ในสังคมเนี่ยแหละแต่ โอ้โหเจออำนาจของพระราชาที่อำนาจล้นฟ้าเหลือเกินเนี่ยใช้คําว่าล้นฟ้าเพราะว่าฟ้าสั่นสะเทือนแล้วตอนนี้เพราะว่าลมเห็นแม่บอกว่าเนี่ยยุคของพระราชาอย่างนี้เนี่ยลมจะพัดแรงจัดทําให้วิมานของเทวดาสั่นสะเทือนคือพูดง่ายว่าโอ้โหฟ้าอย่างแบบอยู่ยากเลยนะโดนอำนาจโดนอิทธิพลจะอิทธิพลเพราะเงินก็ตามหรือ อิทธิพลเพราะอาวุธยุทธโธปกรณ์ก็ตามอิทธิพลเพราะอะไรละ่ะจนทําให้ผู้ง่ายแม้เทวดานี่ก็ไม่ไม่ ไ, มไหวล้วจะอยู่ไม่ได้ละเพราะว่าผู้ง่ายบัดโดนบีบโดนลิ์ของอํานาจของของพระราชาที่เป็นอธรรมิกราชนะครับคือคื อ, อ, อธรรมิกราชนี่หมายถึงว่าพระราชาที่ไม่ประพฤติธรรมเขาใช้คําว่าอธรรมิกราช นะเพราะนั้นโอ้โหเจอพระราชาแบบนี้เข้าแม้เทวดาเนี่ยก็สั่นสะเทือนเราเทวดาพากันโกรธโกรธเพราะโดนโอ้โหพูดง่ายๆโดนขยานะ่าอ่ะโดนขย่า ว, วิมานโอ้โหวิมานแย่เลยอะ่ะเพราะฉนั้นเทวดาก็คือถ้าเทวดาเป็นคนดีเนี่ยก็ไม่ยอมอะ่ะใช่ไหมก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกแต่พูดง่ายว่าสู้ยากเนไง เราเทวดาพากันโกรธแล้วทำให้ฝนไม่ตกบ้างตกหนักบ้างตกไม่ทั่วถึงกันบ้านไม่เป็นการช่วยเหลือแก่ชาวนาชาวไร่เลยคือพูดง่ายว่าตอนนี้อะไรอะไรมันแย่ไปหมดแล้วฟังดูนะตะกี้บอกว่าข้าราชการนักบวชข้าพบาดีชาวบ้านคือคือพลอยไม่เป็นธรรมตามพระราชาไปด้วยหมดแล้วเพราะตกอยู่ในอำนาจของพระราชาที่เป็นอาธรร ม, มิก ร, ราช พูดง่ายว่าโอ้โหลมพัดแรงจัดเลยเทวดาเลยคำว่าลมโดยเฉพาะลมปากเนี่แหละโดยเฉพาะลมปากเนี่ยแหละโอ้โหพัดแรงจัดเลยทําให้เทวดานี่โอ้โหไม่ไหวเลยนะไปแก้อะไรก็ททำอะไรก็ไม่ได้เพราะในที่สุดเทวดาก็เลยเอาเลยมีฤทธิ์เหมือนกันนี่เพราะเทวดาก็เลยบันดาลให้ฝนตกบ้างไม่ตกบ้าง ตกแบบชนิดที่ว่าต้องนั่นตกกึ่งนี้ไม่ตกอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยตกครึ่งบ้าน <laughs> นะครึ่งหนึ่งึตกอีกครึ่งหนึ่งไม่ตกอะไรเงี้ยคือตกไม่ทั่วถึงเลยนะก็พูดง่ายๆว่าก็ก็มวุ่นวายไปหมดแหละชาวไร่ชาวนาอะไรก็พลอยลําบากไปด้วยแหละพื้นที่ใดฝนตกชุกเกินไปข้าวกล้าก็เสียหายถ้าตกมากไปใช่ไหมบางทีเนี่ยถ้าน้ําท่วมเลยอ่ะตกแบบน้ําท่วมเลยโอ้โหข้าว ตายหมดแหละเน่าหมดละจมอยู่ในน้ําอ่ะบางทีอะไรนะมันหนีพยายามหนีน้ํำมั้ง น, นะข้าวอะ่ะเห็นไหมบางทีอะ่ะเอเคยเห็นแม่ข้าวมันหนีน้ําอ่ะเพราะว่าน้ํามันท่วมมันก็พยายามมั้งกันโดยธรรมชาติก็จะพยายามแต่ว่าแย่แล้วละ่ะถ้าท่วมขังนานหน่อยใช่ไหมเศษไบไม่รอดอะข้าวตายหมดพื้นที่ใดฝนไม่ตกอ่าฝนไม่ตกเป็นไงพวกข้าวกล้าจะเป็นไง แห้งเขียวหมดนะถ้าฝนไม่ตกพื้นที่ใดฝนตกพอดีข้าวกล้าก็สมบูรณ์ข้าวที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ของพระราชาองค์เดียวกันแท้ๆก็จะแบ่งออกเป็นสามอย่างดังนี้เหมือนหุงข้าวสุกไม่เท่ากันในหม้อใบเดียวกันแท้ๆในหม้อเดียวกันแท้ๆหมายถึงพระราชาที่ปกครองคนพระองค์เดียวนี่แหละองค์เดียวกันนี่แหละ แต่ในที่สุดแล้วผลที่ได้มาเนี่ยคือคือพวกชาวบ้านเนี่ยก็จะได้รับผลเนี่ยไม่เท่ากันเลยเพราะพระราชาเป็นเหตุพระราชาเป็นเหตุนะเรื่องเนี้ยทําให้เทวดาโกรธเนี่ยพระราชาเป็นเหตนะุทํท า, รร า, าหทให้เทวดาเลยต้องให้ฝนตกไม่ทั่วถึงจริงๆฝนเนี่ยอ ราชการที่หกท่านบอกว่าอะไรฝนนี่เหมือนกับอะไรพาพิรุษเนี่ยแหละเออเพลงอ่ะที่เข้าไปาร้องอฝนเหมือนกับเมตตาเนี่ยแหละที่โปรยปลายลงมาที่จริงแล้วนะฝนเนี่ยจะเหมือนเมตตาแต่ตอนนี้เทวดาโปรยฝนลงมาไม่เท่ากันละเพราะมันมีปัญหาเพราะนั้นก็พูดง่ายว่าตรงไหน คนที่โชคดีหน่อยใช่ไหมก็ได้น้ำไปพอดีได้ฝนพอดีก็ได้ความเมตตาไปพอดีแต่บางที่อาจจะเมตตามากเกินอาจจะบางที่เมตตาน้อยเกินซึ่งเกิดจากอะไเนาะเกิดผลมาจากผู้ปกครองในแผ่นดินนั้นนั่นเองที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมมันทำให้อะไรที่จะเป็นไปโดยธรรมชาติ อะไรที่สมควรถูกต้องตามธรรมเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ไไดละเพราะว่าอิทธิพลโดนแทกอะ่ะ เ, เขาเรียกอะไรนะอะไรนะภาษาเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรนะแทกอะ่ะเอาอย่างเช่นสมมติว่าสื่อโดนอะไรเนะี่ยสื่อโดนอะไรนะเขาเรียกอะไรเออโดนแทกแซงโดนอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องสื่อไม่ว่าจะอะไรก็ตาม ไม่จาเป็นต้องเป็นสื่อจะเป็นเนี่ยวงการเนี่ยในในที่นี้ก็ได้เนี่ยข้าราชการนักบวชข้าหาบดีชาวบ้านอะไรเนี่ยคือมันมันจะโดนอิทธิพลของอํานาจพวกเนี่ยเข้าไปแทรกหมดที่แม่มันก็เลยทำให้วุ่นวายไปหมดเลยธรรมชาติที่จริงๆแล้วอ่าคนเราควรได้รับความยุติธรรมอย่างนี้อย่างนี้นก็เลยไม่ได้ วันในที่สุดนะ่ยในหม้อข้าวหม้อนี้มันก็เลยมีทั้งข้าวแฉะข้าวดิบแล้วก็ข้าวสุกมันก็เลยเกิดสภาพนี้ขึ้นมาทาั้งๆที่จริงๆข้าวหม้อเดียวกันน้ําก็น้ําเดียวกันใช่ไหมไฟก็ไฟเดียวกันเ อ, อมันน่าจะมันน่าที่จะเหมือนกันไงที่จริงๆในหม้อเดียวกันมันน่าจะเหมือนกันแต่อันนี้ไม่รู้ขู่ยังไง ถ้าถ้าจริงๆถ้าเราคิดตามไม่นั่นนะส่วนไหนที่น่าจะไหม้อ่าใช่ไหมส่วนล่างที่น่าจะไหม้น่าจะเกรียมเพราะว่าจะโดนไฟมากที่สุดแล้วตรงไหนเอาตรงกลางฮะตรงกลางสุกเหรอเอาตรงกลางแข่เหรอฮะเอาเอาข้างๆใช่ไหมมันมีน้ำํำอ่ะเอา อ้าวข้างๆแฉใครเคยหุ้นข้าวแฉบ้างอะ่ะเอา <laughs> <c oughs> แฉก็แฉทั้งหม้อนะหมดหม้อเลยถ้าดิบมันก็มีดูมันก็ดิบๆทั้งหม้อนะอ้าวจริงๆถ้าถ้าไมเน่จริงๆมันมันก็เกลียมหมดแหละเพียงแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ข้างล่างจะเป็นข้าวตังไปอะ่ะเอามาทำข้าวตังไปเท่านั้นเองแต่จริงๆมันก็ทั้งหม้อมันต้องเป็นไปหมดอะ่ะมัญหายากใครไปหุ้ได้ยังไงอะ่ะ สามอย่างอยู่ในหม้อเดียวกันเชเอา้าแต่โดยจริงอะใช่ไหมมันมันมันยากมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่อย่างเงี้ยเป็นไปได้โอ้โหคิดดูสิเนี่ยพระเจ้าท่านพยากรณ์ไปได้ยังไงคือคือคนฝันเนี่ยอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นผู้ฝันเนี่ยนะท่านสุบินนิมิตเนี่ยท่านฝันออกมาก็ก็แปลกแล้วนะเพราะว่าเอ้ยธรรมดาใครจะไปฝันอย่างเงี้ แต่แต่ที่แน่กว่านั้นก็คือคนที่มาพยากรเนี่ยโอ้เป็นเราเราจะไปนึกอะไรได้ยังไงแต่พุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหพยากรไม่ใช่พยากรแคบๆเลยนะพยากรยังกว้างเลยนะโอ้โหไปถึงมหาชนทั้งหลายเลยคิดดูเอาก็แล้วกันอันนี้ถ้าเปรียบเข้ามาหาตัวเราตอนนี้อย่าเอาไปไกลเกินเปรียบเข้ามาหาตัวเราเป็นไงบางวันก็เข้าแฉ วางวันก็เข้าดีบนี่บางวันก็พอดีพดีบ้างระวังนะเ <c oughs> ข้าบูดอารมณ์บูดอย่อางหากนะนั่นแหละให้เปียกเป็นเหมือนอารมณ์เราบางวันอารมณ์แฉะเกินเป็นไงแฉะเกินนี่เป็นไงน้ำมากไปน้ำมากไปน้ามากไปโอ้อารมณ์ดีเกินนะสบายเกินอ่ ดีเกินไปนะไม่ค่อยทำอะไรเลยสบายเกินอ่าดิบไปเป็นไงอารมณ์ดิบโอ้โหแข็งกระด้างนั่นแหละคือให้เปรียบให้เปรียบเข้ามาหาตัวเราเองเออแหมบางทีเรานี่หุงข้าวเองด้วยนะเป็นคนหุงเองด้วยนะอ่าข้าวเองซาวเองอะไรเองหมดทุกอย่างเลย เสร็จแล้วไปยังไงโอ้โหบางวันอารมณ์แฉะบางวันอารมณ์ดิบอะไรอย่างเงี้ยบางทีในสามส่วนดูนะมันไม่ดีเนี่ยสองนะมันดีแค่หนึ่งเองนะเพราะฉะข้ามหม้อเดียวเนี่ยมันมีสามส่วนให้รู้ว่าจริงๆจิตเราเนี่ยจะรักษาให้ดีไว้มันยากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะขาดขาดเกินเกินจิตของเราเนี่ยจริงๆมันขึ้นขึ้นลงลงมันขาดขาเกิน คุณจะทำจิตให้มันพอดีเนี่ยต้องสร้างแล้วก็ต้องรู้จักจับอารมณ์จิตต้องคอยพิจารณาเฮ้ยมันมากมันมากมันมากเกินไปละบางทีดีใจก็จะดีเกินละดีใจเกินเมตตาเกินบางทีอะดีใจเกินเอามีเห็นไหอ้าวบางทีก็โอ้โหจะโหดร้ายอะไรปานนั้นแหมไม่เห็นใจบ้างเลยเหรออ้อาวบางทีก็แข็งเกินไปเหนียวเกินไป าบางทีสุรุ่ยสุร่ายเกินไปบางทีก็ขี้ตื่ดเกินไปมันมันไม่ค่อยจะยอมพอดีเพราะจริงจริงความพอดีเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยนะในส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่พอดีเหมือนกับอาตมาชอบพูดว่าจิตคนเราเนี่ยมันชอบไปอยู่ในอดีตบ้างอนาคตบ้างให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่ เพราะปัจจุบันมันแป๊บเดียวมันนิดเดียวมันเลยไม่ค่อยยอมอยู่มันเลยชอบตลอนตลอนเดี๋ยวไปในอนาคตเดี๋ยวก็อะไรอ่ะย้อนกลับไปในอดีตของตัวเองเพราะฉะ น, นคนเนี่ยเลยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะในการที่จะจับจิตเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันธรรม